พิจนาเห็นว่าเห็นเห็นแล้วก็หายไปเห็นเถอะเห็นยังไงก็ต้องรู้เห็นยังไงคิดเห็นนึกเห็นวาดภาพเห็นหรือภาพปนิมิตรปรากฏหรือเห็นยังไงถ้าเราเจริญแบบมหาสศรประธานเห็นก็สักเว่าเห็น สิ่งที่ถูกเห็นจิตเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราเห็นถ้าเราทำขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเราทันทันขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้หมายความว่าเราละมันระวังได้ตลอดถ้าเราละมันระวังไม่ได้เราเราเราเราโผล่ขึ้นมาตลอดตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาจนเป็นจนเป็นนิสัยแล้ว ที่จะนาถึงความเปลี่ยนไปของมันถึงความหายไปของมันหรือดูที่นู่นแล้วก็ยอ้อนมานะมันเกาะที่นี่เจาะเข้าไปดูข้างในตับไตไส้พุงอะไรต่ออะไรโครงกระดูกอะไรต่ออะไรดูให้มันต่อเนื่องอยู่อย่างนี้แหละมันก็เป็นงานทางนั้นเป็นงานภายในจะดูจะเห็นจะอะไรยังไงก็ตามแต่พยายามอย่าให้ อัตรามันโผล่ขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดว่าเป็นเราเรารู้เราเห็นเราเข้าใจนะพยายามดูให้ให้หมดตัวนี้อันนี้คือนิสัยดั้งเดิมของกิเลสนิสัยของมันนิสัยของกิเลสมันจะมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้อะไรที่ไหนมันก็จะโผล่มาแบบเดิมๆเพิ่มมา น, นี่แหล ะ, น, หละนี่แหละคือเยื่อใยของของวัตตะสงสาร วัตสงสารมันตัดขาดไม่ได้เพราะมันมีเยื่อใหญ่มันสืบช่วงเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกเป็นแม่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นลูกเป็นแม่เป็นเผ่าพันธ์เราจะสังเกตเห็นว่าตันหาเก่ามันส่งมาแล้วมันก็ยังมาเพราะตันหาใหม่เกิดขึ้นอีกเห็นไหมที่ยิงขันห้าของเราทั้งหมดนี่คือผลิตผลของตันหาเก่ามันส่งเรามาแล้วอวิชชาตันหาเก่ามันส่งเรามาแล้วในขณะที่เป็นปัจจุบันโดยลําดับโดยขั้นตอนเนี่ย มันก็มีสืบหนอต่อแขนงมาให้เกิดตันหาใหม่เกิดเวทนาเกิดเวทนาเกิดตันหาเกิดอุปาทานตามหลักปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ซ้ําเติมเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปแทนที่มันจะบินแทนที่มันจะหมดมันก็ไม่หมดมันจะหมดได้ต่อเมื่อเราปิดช่องไม่ให้เกิดแล้วพยายามขุดคุ้ย ประมาเหมือนรัอเรือที่รั่วนั่นแหละแล้ววิธีทำก็อย่าทิ้งหลักมหาสติปัฏฐานใช้สติเป็นพื้นเป็นบากเป็นฐานประสิทธกการยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเห็นก็สักเทวะเห็นได้ยินได้ฟังก็สักเทว่าได้ยินได้ฟังถ้าเกิดความรู้สึกว่าเราเห็นก็พยายามจ่อเข้ามาในขณะที่เราจ่อขึ้นมามันจะเป็นเราเห็น หรือมันจะเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นให้เรากําหนดหมายและจำเอาไว้เพราะอันนี้เป็นแบบทดสอบเป็นแบบฝึกซ้อมของเราเราทําอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าเราจะเห็นว่าเห็นสักเท่าเห็นยาวติดต่อกันพืช้าไปอืถึงคราวจิตไม่ทํำงานจิตสงบลงไปก็ให้มสงบมีปัญหาเดียวอ่า ก็คือมาจากธาตุร่วนเดียวกันแล้วแต่ก็พูดตามอาการของมันพูดไปตามอาการของมันจิตภาษาบาลีใจภาษาไทยจิตภาษาบาลีใจภาษาไทยวิญญาณธาตุคือธาตุแท้ดั้งเดิมของผู้รู้วิญญาณเฉยๆก็คือวิญญาณขันวิญญาณธาตุวิญญาณขันใจ หรือผู้รู้หรือมนายตนะใจอันเดียวกันหมดและแต่ยักย้ายผันเปรจะไปเรียกตามกิริยาอาการของของอายตนะอะไรถ้าพูดพ่วงไปกับธาตุคือวิญญาณธ า, าตุถ้าพูดพ่วงไปกับอายตนะมะนายตนะถ้าพูดถึงจิตถึงใจก็เทียบกันได้ว่าโอ้ใจภาษาไทยจิตภาษาบาลี วิธีปฏิบัติบอกแล้ววิธีปฏิบตัติดูมาที่ของจริงที่ปรากฏที่หัวใจของเรานะเราไปเล่นตะคุบตามคําตัวหนังสือเหล่านั้นไม่ได้งงสับสนไปหมดเพราะฉะนั้นนักอภิธรรมจึงหลงหลงชื่อหลงสมมติหลงบัญญัติ <c oughs> เอ๊ะอันนั้นเอ๊ะทำไมอันนั้นขัดกันนี้เอ๊ะอันนี้ทํำไมขัดกานอันนั้นเอ๊ะอันนั้นเป็นอันนี้หรือเปล่าวิธีปฏิบัติเราไปตามอย่างนั้นไม่ไหว ตามไม่ทันตามไม่ได้อืต่อเมื่อเราทําอย่างเนี้ยจนเห็นเหตุเห็นผลที่แท้จริงเวลาเราน้อมไปใส่โอ้ใช่น้อมมาสานี่ก็ใช่โอ้น้อมมาสอยนี้ก็ใช่โอ้น้อมมาสายนี้ก็ใช่น้อมมาสานี่ก็ใช่มันใช่ทั้งหมดเลยก็เหมือนอย่างจิตเราเวลามันเกิดปัญญาเนี่ยเราน้อมไปใส่อะไรมันใช่ทั้งหมดเลยศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอะไรอยู่ในนั้นหมดมันใช่ทั้งหมดสมาธิก็เช่นเดียวกัน พอเวลามันเกิดสมาธิขึ้นมาปั๊บความตื่นความรู้ความสว่างความปลอดโปรง่งความเบาอะไรอะไรมันใช่ทั้งหมดเราน้อมไปใส่มันใช่ทั้งหม ด, มหมดแต่ระหว่างที่เราทําเพราะก็เราก็สอบสอบทานสอบสวนบ้างบางการบางคราวไม่เป็นไรแต่ทํำไปสับสนไปทําไปสับสนไปต้องหันมาถอดสอบถวนกันอยู่เรื่อยจิตมันก็คลอนจิตมันคลอนพอจะอยังรากก็ยังไม่ได้ยังรากสู่ความสงบมันก็อยากยังยาก จะพิจารณาให้เกิดปัญญาละเอียดลึกเข้าไปครับมัวแต่หงห่วงแต่ก็เรื่องผิดเรื่องถูกเงี้ยเรามีเวลาจากนี้ไปจนสี่โมงใช่ไหมหรือห้าโมงมีเวลาจากนี้ไปสี่โมงสี่มโมงก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงสี่สิบ เดี๋ยวเวลาอีกชั่วโมงสี่สิบเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามปัญหาถามได้กับปากต่อปากบนนี้เลยเป็นการพลิกระเบียบใหม่คุณหมอไปยังเมื่อกี้เราก็ทักคุณหมออยู่บอกว่าหมู่เพื่อนเราที่เราเข้ามาปฏิบัติเราไม่ทราบ อย่างเราเราไม่ทราบว่าใครเคยอะไรใครเป็นอะไรใครเป็นอะไรใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นด็อกเตอร์ใครเป็นอะไรเราไม่รู้จักเลยเราไม่ได้ให้กําลังใจกันเราไม่ได้ให้คุณค่ากันอันนี้ก็เกิดเกิดข้อเสียหายข้อหนึ่งไม่เหมือนเข้าไปวัดนะพอไปวัดเนี่ยเราทักทายอะไรเป็นการเป็นการรู้กันมันถูกต้องกับหลักของอาการทุกข์และก็เจ้าถิน่นมันถูกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญาตาัติไว้ ไม่งั้นเหมือนกับเราใครไปก็เท่าเทียมกันหมดเส ม, มอกันหมดผู้ใหญ่ก็มีผู้น้อยก็มีอะไรก็มีเราเราไม่รู้เราไม่เข้าใจกันมันลำบากนะแต่ถ้าเรารู้กันเราเข้าใจกันเราก็ให้เกียรติกันไปตามนั้นมันเกิดประโยชน์แล้วก็ระเบียบที่ว่าไม่ให้ถามตอ บ, บนนี้เมื่อก่อนเคยมีปัญหาเราว่าครูบาอาจารย์ที่ท่าน ให้ความรู้เนี่ยท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ท่านมาให้ความรู้เพื่อข้อเสียหายใครจะมาชวนคุยชวนพูดที่นู่นไปไปอะไรนะยไปบาดาลเนี้พยพญานาคชวนพุยชวนพูดชวนอะไรไปสิ ก็ชวนคุยไปสิคุยเรื่องอะไรที่จะเกิดประโยชน์ท่านก็ฟังท่านก็ให้ข้อคิดข้เห็นอะไรคือข้อเสียหายเสียหายสลับหมูด้วยกันอะไรคือประโยชน์ที่จะเกิดด้วยกันแค่นี้ท่านไม่รู้จักมันก็ลําบากแล้ว จากนี้ไปหมดจบคอร์่ของเราเนี่เมื่อเราอบรมเสร็จช่วงถามตอบปัญหาก็ถามได้เลยเขียนก็ได้ถามกับปากก็ได้หาใหม่ให้อลองปรับโฉมใหม่ลองดูการถามปากต่อปากมันทำให้มีความเร้าใจ ว่าที่เราเขียนสมมติสมสมติเขียนมาปับป๊บตอบปั๊บปั๊บปั๊ปับป๊บปับป๊ บ, บยังไม่ค่อยใจยังคล่องใจยอยู่อันนี้จะตอบมาก็ตอบไม่ได้จะถามมาอีกก็ถามไม่ได้ <c oughs> มันไม่เป็นการสากัจฉาผิดหลักสากัะฉาด้วยสากัะฉาคือถามตอบถามตอบถามตอบสนทนากาเลนะ ทำมัดซากัดชาเอตมังคลมุตตะมังทําให้เจริญธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายสมมุติสองคนสนทนาการเรื่องอะเรื่องธรรมที่อยู่ด้วยกันได้ยินได้ฟังได้ประโยชน์ไปด้วยด้วยไปตามๆกันนี่คือประโยชน์ของสากัดชาทําไมท่านจึงว่าเป็นสิริเป็นมงคลก็เพราะมันทําให้เกิดข้อสร้างสรรค์อยู่ในนั้นจะหยิบจะยกจะจับเอาไปทําเอาไปอะไรแต่ไรมันเกิดประโยชน์หมดอยู่ในนั้นท่านจึงว่า เป็ น, ส ร, ปนสริเป็นมงคลคำว่าสติเป็นมงคลไม่ใช่มาห้อยอยู่แล้วก็เป็นสติเป็นมงคลเฉยๆคำว่าสติคำว่ามงคลคือข้อปฏิบัติคือแนวปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติไปแล้วมันเป็นเหตุจะทําให้มีผลตามมาเราเอาอะไรที่ว่าเป็นมงคลไปตั้งเอาไว้วิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้ทําหรือทําหรือไม่ได้ทําไม่มีแนวปฏิบัติไม่มีข้อปฏิบัติให้เรา อะไรจะมาทําให้กิริยากา ย, ก, ย ā, กิริยาวาจากิริยาใจของเราเจริญไม่มีอยู่ในท่าที่ที่ว่าเราเคารพสักดาระนับถือเราระลึกเช่นอย่างพระพุทธรูปเนี่ยพอเราเห็นปั๊บเราก็นึกถึงอ๋พุทโธธรรมโมสงโขมันก็เป็นการระลึกถึงเป็นการมากระทุง้งเป็นการมาเตือนเตือนสติ เตือนสัมพัญธยะเตือนหิริเตือนโอตปะเตือนความระมัดระวังเตือนความไม่ไม่ประมาทนั่นคือสติคือมงคลจะต้องมีผลสืบเนื่องต่อมาจึงเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดมงคลเคยเห็นไอ้นักหน่วยเขาเอาอะไรไปสวมฮะเขามงคนหรือไม่กับผัวเมียสวมมงคล ไอ้มองคลที่เอาไปสวมกับไอข้อปฏิบัติต่อกันด้วยกันมันคนละเรื่องคนละโลกกันบางทีก็ไม่เกิดความเจริญเกิดความเสื่อมเพราะปฏิบัติต่อกันไม่ถูกมางคลก็จะมีคุณค่าอะไรมงคลเหล่านั้นมงคลของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลที่ต้องทำทําให้ถูกถูกศีลถูกธรรมเราไปดูมงคลสาสิบแปดนะแต่ละข้อแต่ละข้อต้องทําเอาเท่านั้น เริ่มตั้งแต่อเซวนาจะบาลานังไม่คบคนผ่านปณิตานัจะเสวนาครบจะบันดิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาพ่อบูชาแม่บูชาครูบูชาอาจารย์บูชาคุณพระรัตนตรัยใครที่มีบุญมีคุณที่ควรบูชาเราก็ระลึกเราก็กราบเราก็ไหวเราก็บูชาการบูชานั้นเป็นการระลึกคุณ การระลึกคุณเนี่ยทาให้เราคนเราไม่ลืมตัวเราอยู่ในฐานะพ่อฐานะแม่ฐานะลูกฐานะลูกน้องฐานะหัวหน้าฐานะอะไรก็ตามแต่ไม่ลืมบุญไม่ลืมคุณที่มีอุปการะคุณต่อกันเป็นการระลึกน้อมนึกบุญการกราบไหว้บุญคุณเหล่านั้นบุคคลที่ควรบูชาคือคนที่มีบุญมีคุณทําให้เราไม่ลืมตัวลืมตัวเป็นไงลืมตัวก็ ปวดเบ่งใสลูกพี่น่ะตัวนั่นนะลืมตัวเฮ้ยเราก็ด็อกเตอร์เหมือนกันนะเขาก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเราก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันอวดใส่กันเนี่ยเหมือนนิทานศิทธิ์กับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนสอนช้างสอนสอนช้างให้พระราชาเป็นควานช้างสลับฝึกช้างให้พระราชาอยู่มานายคนหนึ่งอยากไปฝึกเป็นควานช้างบ้างไปขอสมัครไปขอสมัครอืม ไ ป, ไปขอสมัครทีนี้ก็นายคนนี้ไม่กล้าไปสมัครที่พระราชาไปสมัครกับอาจารย์อาจารย์ก็จะทําไงอาจารย์ต้องเอาเรื่องไปกราบทูลพระราชาพระราชาเออได้ถ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเราลาบหมดเรารับเรารับได้ทีนี้ก็ไปอยู่ฝึกช้างกับอาจารย์ฝึกให้เดินหน้าฝึกให้ถอยหลังฝึกให้ทํำยังไงยังไงก็แล้วแต่สำหรับช้างของพระราชา เ, เป็นนายควานช้างฝึกควานช้างฝึกควานช้าง ไปฝึกมาฝึกได้ชำนาญหมดทุกอย่างหมดทุกเรื่องอยากทํางานในนั้นก็เลยขอพระราชาพระราชาก็ให้ทําได้ให้ทํางานอยู่ในนั้นแต่ว่าเงินเดือนจะให้เขายัางไงเงินเดือนจะให้เขายัางไงแต่ตอนนี้เขาเรียนจบหมดแล้ววิชาควานช้างสามารถฝึกช้างได้หมดแล้วสามารถทําได้เหมือนอาจารย์เลยอเขาจะให้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์เงินเดือนเท่าไหร่ ร้อยกหาพนะกร้อยกหาพนะแล้วก็ลูกศิษย์คนนี้ก็จะให้สักห้าสิบกหาพนะเพราะเป็นลูกศิษย์เป็นคนใหม่เข้ามาทํางานใหม่อาจารย์ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปหาเรื่องกับพระชาวเป็นดินอนายคนนี้ก็เลยทักทายว่าเอ๊ะอาจารย์ก็ฝึกได้ผมก็ฝึกได้นี่นึกไหมาอาจารย์ได้เงินเดือนหนึ่งร้อยผมก็ควรจะได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้ยกหาพนะเหมือนกันแน่ะ ทีนี้ก็ไม่ลงกันทีนี้ไม่ลงกันไปถึงพระราชาควรจะตัดสินว่าจะให้เงินเดือนนายคนนี้เท่าไหร่นี่มันเริ่มยกตนเทียมท่านแล้วนันเนี่ยไปถึงพระราชาพระราชาท่านก็เป็นธรรมอ่าอย่างนั้นถ้าให้ประลองกันกลายเป็นว่าลูกศิษย์ประลองกับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์เขามีทีเด็ดของเขาอะ่ะนี่ไปอวดเก่งส่อาจารย์ไงอาจารย์ไม่ใช่เขาจะให้ความรู้เราหมดอะ่ะเขาจะมสีส่วนในส่วนหนึ่งเหลือ เหลือของเขาอยู่ไม่อาจารย์นี่เราจะจนตรอกจนมุมคราวนี้แล้วนาะเราเนี่ยอาจารย์ก็เลยแอบไปฝึกช้างพิเศษมีช้างมันมีช้างหลายเชือกเลยที่ที่ที่ฝึกอคราวนี้ประลองกันเอาเอาเชือกนี้เอาเชือกนี้เชือกไหนเขาก็ทําได้หมดนายคนนั้นเขาไปฝึกฝึกได้หมดให้เดินหน้าให้ถอยหลังให้หนู้นให้นี้ทําอะไรฝึกได้หมดทีมีอยู่คืนหนึ่งก่อนจะถึงวันประลองนะ อาจารย์ก็แอบไปสอนช้างพิเศษประจำตัวเขาเนี่ยให้มันทำตรงทําตรงกันข้ามเลยให้มันให้ให้มันเดินถอยหลังแต่ว่าบอกให้มันไปข้างหน้าบอกให้มันไปข้างหน้าแต่ว่ากลับว่าถอยหลังถูกช้างมันก็จําให้มันเลี้ยวขวาบอกให้มันเลี้ยวขวาแต่ต้องเลี้ยวซ้ายมันถึงจะถูกช้างมันก็จํา ตรงกันข้ามกับที่บอกว่าการเพื่อที่จะไปแก้เคล็ดลูกศิษย์นี่ฝึกได้ฝึกจบเพราะวันรุ่งขึ้นวันประลองนี่คือศิลป์ล้างครูนี่คือศิลป์ล้างครูพอถึงคราวประลองครับอาจารย์ประลองได้หมดทุกอย่างให้ลูกศิษย์เขาประลองลูกศิษย์เขาทำตามได้หมดต่อไปก็เลยช้างตัวเดียวช้างของอาจารย์นี่แหละเฮ้ยช้างฝ่าอาจารย์ผมก็เคยฝึกมาแล้วผมก็ทําได้ ลูกศิษย์เขามั่นใจเขาทําได้หมดเพราะไปฝึกอาจารย์เขาสอนไว้แล้วเนี่ยให้เดินให้ให้เดินหน้ามันก็ถอยหลังกุดกรุกรกร ด, กดนา น, นึงดอกแล้วหนึ่งคะแนนแล้วฝึกไม่ได้ให้ถอยหลังมันก็ไปขานาดกรุดกุดกรุ ด, ดให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ไปทิศ ท, ทางตรงกันข้ามประชาชนก็ลงประชารัทันเลยนี่คือสิทธิ์ล้างครูเพารากันเอาเอาค้อนเอาค้อนหินเอาคอน้น รุ่นไม้รุ่นฟืนไปฟาดคนละหนึ่งกระคับยังไม่ได้รับเงินเดือนะตายจ่อยนี่คือสิทธิ์ล้างครูอเราเคยฟังนิทานบันเทิงทำมเราจําได้โอ้เป็นคติดได้ดีมากเลยนี่เรื่องสิทธ์ล้างครูเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงศิทธ์ล้างครูเราพูดถึงว่าบูชาจ้าปูชนียานางเอตตมังคลุมุตตมังคนเราถ้า ไม่ระลึกบุญระลึกคุนจะลืมเนื้อลืมตัวคนลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยมักลืมศีลลืมธรรมเลยเสมอแ้วเหตุที่ลืมศีลลืมธรรมเนี่ยมันถึงลืมตัวตัวเองอยู่ในฐานะอะไรฐานะโลกฐานะศิตฐานะครูฐานะพ่อฐานะแม่ฐานะอะไรจะลืมฐานะในเมื่อมันลืมฐานะแล้วมันปฏิบัติไม่ถูกตาหน้าที่มันทาผิดหน้าที่ ลืมหน้าที่ภรรยาลืมหน้าที่สามีปฏิบัติต่อกันไม่ถูกแหละนั่นมันก็อยู่ด้วยกันไม่พัฒสูงแล้วมันก็ห้องละแหงกันแล้วลืมสิทธิ์ลูกพ่อแม่บอกไม่ฟังเนี่ยลืมลืมสิทธิ์ลูกสิทธิ์เนี่ยเห็นอาจารย์ก็เฉยแข็งกระด้างใส่อาจารย์ซี่ลบหลูดูถูกอาจารย์ซี่ทาให้อาจารย์ได้อับอายอีกเนี่ยคือลืมตัวนี่คือมงคล มงคลทุกข้อต้องทำเอาไปดูมงคลสามสิบแปดอะไรเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาผู้ชาจะปูชนิยนังเอตมังกลมุตตมังปฏิรูประเดสวาโสจะบุกเบจะกกตะาปุญญาตาปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประเทศคือประเทศที่สมควรประเทศที่ดีงามประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะควรเช่นอย่างเราเป็นชาวพุทธเราต้องการปฏิบัติธรรมมีที่ปฏิบัติธรรมเราต้องการรักษาศีลมีที่รักษาศีนมีครูมีอาญารย์ให้ทําบุญให้ให้ใหทานนี่เขาเรียกว่า ป, ปัจจรูปประเทศปัจจรูปประเทศเหมือนอย่างเรามาเกิดที่อินเดียเรามาเกิดที่เมืองไทยเราต้องการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเรามีที่ปฏิบัติ เรามีวัดเรามีศาสนสถานต้องการบวชอ้อมีที่บวชต้องการฝึกกรรมฐานมีที่ฝึกกรรมฐานก็เหมือนกับเราทํามาค้าขายนั่นแหละตลาดเราอ่าตลาดตลาดนี้ต้องการต้องการต้องการอะไรตลาดนี้ต้องการอะไรตลาดนี้ต้องการอะไรอืคนก็เอามาขายมาขายมาขายมาขายมาขาย เราทําอะไรซื้อง่ายขายคล่องทําให้เราได้กําไรดีทําให้เราได้กําไรงามลงทุนก็ได้กําไรดีนี่คือปฏิรูประเทศต้องการทําบุญก็มีท <reading> <music> ี่ทําบุญต้องการลงทุนก็มีที่ลงทุนได้กําไรงามต้องการทํางานก็มีงานให้ทําต้องการเที่ยวต้องการสนุกต้องการอะไรก็มีที่ให้เท <ot> ี่ยวมีที่ให้สนุกเคือว่าปฏิรูประเทศปฏิรูประเทศประเทศสวัสดิ์จักรภเผจักนตะปุญจตา บุญที่ทําไว้ในปางก่อนปุปเปจะกตะปุญญาตาบุญที่กระทําไว้ในในปางก่อ น, นช่วยเอื้ออำนวยให้เรามีความสุขอันนี้คือกรรมแต่ผลหลังกรรมแต่ผลหลังก็เป็นเหตุช่วยให้เราเจริญเพราะกรรมเหล่านี้มันฝัง ม, มากับอะไรมันฝากฝังมากับอะไรฝากฝังมากับจริตนิสัยของเรานิสัยคําพูดนิสัยกิริยานิสัยอ่อนน้อม หรือนิสัยแข็งกระด้างหรือนิสัยทิฏฐิมานะนิสัยอะไรมันแฝงมากับของเก่าคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนน่มันแฝงมากับบุญเก่าคนที่มีนิสัยนิ่มนวลมีนิสัยอ่อนหวานมีนิสัยเป็นสัมมาสัมมาวายจาสัมมาปฏิบัตอ่อนน้อมเป็นเหตุให้ผู้พบผู้เห็นเกิดเกิดประโยชน์สำหรับผู้พบผู้เห็น มีฐานะมีศักดิ์ศรีมีอำนาจมีความร่ำรวยมีสติดีมีปัญญาดีนี่เป็นผู้ที่ทำบุญไว้ในปางก่อนคือเขามีคุณสมบัติที่สะสมมาแล้วในปางก่อนมันติดมากับจริตนิสัยของเราภูเพยยากตะปุญญาตาอะไรอีกนะข้อต่อไปอะไรนะ สัมมาปณิทิอัตตสัมมาปณิทิเอตมัมมัมงคะระมุตตมัตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ในศีลตั้งตนไวในธรรมนี่เขาเรียก ว, ว่าตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบตั้งตนอย่างอื่นไม่ชอบตั้งตนเพื่อผิดศีลเพื่อผิดธรรมเพื่อผิดอะไรตั้งตนไว้ไม่ชอบธรรมหากินก็ไม่เป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรม จะทธุรกิจการงานอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งไม่เป็นเหตุให้เสียศีลเสียธรรมตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ที่ศีลที่ธรรมทำก็ฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอัดเรื่องธรรมศีลก็คือฝึกกิริยากายกิริยาวาจาเพราะอันนี้มันพัฒนาให้เกิดความเจริญต่อไปอัตออตสัมมาปนิทิเตตมังครมตมัง มงคล38นู่นอโซกังวิริชังเคมังเอตมังคารมุตตังไม่เศร้าไม่โศกนู่นหมดเวรหมดภัยในวัฏฏะสงสารอาโซกังวิริชังเคมังเอตมังคารมุตตะมังถึงความไม่เศร้าโศกเพราะฝึกคนอบรมเต็มแปรเต็มเปี่ยมหมดแล้วสิ่งที่เป็นสริริมงคลทั้งหมดต้องทําเอาเท่านั้นไม่มีข้อใดที่เราไม่ต้องทําเอาเพราะ ฉะนั้นศาสนาธรรมศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงรวมมาจึงสรุปลงมาที่เหตุกับผลทําเหตุแล้วต้องมีผลมีผลแล้วต้องมีมาจากเหตุมีเหตุแล้วต้องมีผลทําเหตุไว้แล้วเหตุ ด, ดีเราก็ได้รับเหตุไม่ดีเราก็ได้รับไม่มีใครชอบเลยเหตุไม่ดีที่ไปทํามาแล้วมันน่าจะเป็นเหตุโมฆะ ที่ไหนได้ในเมื่อเราทำไปแล้วเหตุไม่ดีนี่แหละมันตามมาเล่นงานเราเหตุดีเหตุดีได้ผลดีอันนี้เราต้องการนี่แล้วเราทาเหตุดีมันก็ให้ผลทำเหตุไม่ดีมันก็ให้ผลเพราะมันเมื่อมีเหตุแล้วผลมันก็จะต้องตามมามันตามมาเล่นงานที่จิตดวงนั้นแหละจิตเป็นผู้ทำาลบไปอยู่ใต้ท้องทะเลมหาสมุทรมันก็ตามไปเจอทาไมถึงตามไปเจอ ทำไมถึงตามไปเจอมันก็ตามไปกับผู้รู้ดวงนั้นแหล ะ, อะตอนมันเริ่มสร้างกรรมมันสร้างด้วยเจตนาเจตจำนงก็จิต ด, ดวงนั้นเป็นผู้สร้างกรรมที่จะไปเล่นงานมันก็เกิดตรงนั้นเกิดตอนนั้นมันก็เป็นโทษเท่านั้นมันก็ได้รับอันตรายในตัวมันนั้นแหละไม่ต้องมีใครมาเดินตามเพื่อที่จะทำลายทำลายทำลาย ทำลายทําคุณทําโทษสนองเวีนสนองไผไม่ใช่ก็ตัวมันเองมันทำมันทํากิริยาเกิดโทษเดี๋ยวโทษก็ตามมาในเมื่อทํากิริยาเกิดคุณคุณก็ตามมาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามเห็นไม่ต้องมีใครบอกใครสอนมันก็ตามติดติดไปกับจิต ด, ดวงนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าที่รับไม่มีในโลกที่รับไม่มีในโลกเราไปทำทำดีหรือทําชั่วก็ตามทําในที่รับก็ตามที่แจ้งก็ตาม ไม่มีความรับในโลกอาจจะรับจากผู้อื่นรับสายตาของผู้อื่นแต่รับกิตใจของเรารับไม่ได้เพราะเรามีเจตนาเราสร้างเองเราทําเองนี่เอาตัวนี้เป็นเกณฑ์เป็นประจักษ์พยานเจตนาของใครมีเจตนาร้ายคนนั้นก็ทราบเองใครมีเจตนาดีคนนั้นก็ทราบเอ ง, เตนนเองแต่บางครั้งคนเราก็เจตนาดีทำอะไรด้วยเจตนาดี แต่ก็ได้ผลร้ายได้ผลร้ายตามมาพอได้ผลร้ายตามมาเราก็ไปคิดนึกถึงผลกรรมที่ตามมาที่หลังเป็นเหตุไปสร้างอากุศลภายหลังเพิ่มขึ้นมาอีกแหมอกุศลคราวก่อนไม่มีแต่พอเห็นผลตามมาไม่ดีกลายเป็นอกุศลที่หลังเราไปทําขึ้นมาอีกไปซ้ำไปเติม น้อยใจเสียใจโกรธเครียดอะไรต่ออะไรอย่างนี้มีให้เราประสบพบเห็นเป็นออจินนกรรมเป็นไอจินนวัตเพราะฉะนั้นเราจะรักษากรรมยังไงบริสุทธิ์กรรมในใจของเราเราดูมาที่เจตนาเจตนาในการกระทำเจตนาหังพิขเวกัมหังวัดามิเจตนาหังพิขเ ว, เขเวสีลังวดามิพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่า เจตนาเป็นกรรมเรากล่าวว่าเจตนาเป็นศินสินสนี้จะเป็นองค์สินได้ต้องอาศัยเจตนาเจตนาวิราชเจตนางดเจตนาเว้นไม่ใช่เจตนามีอยู่แตคืบหน้าต่อไปมีสิ่งมันบังเอิญให้เราสินขาดเนี่ยเราก็อดไม่ได้ทนไม่ได้เราก็ทําให้สินขาดแน่เจตนาดั้งเดิมขาดไปแล้วอืมเจตนาเราขาดไปแล้ว ไม่เป็นกรรมดีแล้วไม่เป็นสินแล้เจตนาเป็นตัวสินเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาคืออะไรเจตนาก็คือความจงใจจงใจทำลงไปจงใจคิดลงไปจงใจทำลงไปตัดสินใจทำลงไปถ้าเรียกว่าเจตนาเจตนาตั้งความเจตนาทำลงไปเจตนาดีแต่บางครั้ง ผลตอบรับไม่ดีเราก็มาคิดแปวใจตามหลังอันนี้เป็นกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นทีหลังกรรมเก่า ม, มันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านถือว่าเราสร้างเจตนาอะไรไว้ก็ให้เรารักษาเจตนา อ, นนอันนั้นเอาไว้ให้ดีอย่าให้มันตกต่ำประคับประคองเอาไว้อย่าให้มันตกต่ำเหมือนอย่างที่เราทําบุญพพุทธเจ้าท่านให้เรารักษาเจตนาก่อนให้ขณะให้แล้วก็ให้ไปแล้ว รักษาเจตนาทั้งสามการนี่ให้เท่ากันให้เหมือนกันไม่ใช่ให้ไปแล้วมีคนเอาไปทําเอ๊เอาเอาของเราไปใช้หรือเอาของเราไปทิ้งคิดอกุศลตามหลังเออถ้ารู้อย่างงี้เราจะไม่ให้อย่างนั้นอย่างนี้นี่อกุศลตามหลังที่แรกกุศลมีอยู่แล้วแต่พอเรามาคิดอกุศลตามหลังมันเป็นมันเป็นอกุศลใหม่ที่เกิดขึ้นต้องระวังแต่แท้ๆเละเอาตัวให้รอดไม่งั้นเรารักษากรรมตัวเองให้บริสุทธิ์ รักษาไม่ได้ใครสามารถเห็นความบริสุทธิ์ของกรรมของตัวเองคนนั้นมีจิตที่ละเอียดมีจิตที่ละเอียดมากจะบิดจะเบือนจะบิด จ, จะเบี้ยวจะอะไรต่ออะไรในใจของตัวเองก็รับได้รับได้รู้ได้ทราบได้ปรับแก้อะไรต่ออะไรอยู่ในนั่นอยู่อย่างมีความสุขสะดวกสบายไม่มีอะไรไปทิ่มแทงไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีกรรมกับใครเห็นความบริสุทธิ์ภายในจิตของตัวเองด้วยกรรมของตัวเอง ทำให้เราได้ความปลื้มปีติได้สติได้ปัญญาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกพูดอะไรไม่รู้สัพเพระไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเริ่มแรกจากการตอบปัญหาแล้วก็มอบอกว่าต่อไปถ้าเผื่อใครข้องใจในการที่เราพูดคุยธรรมะก็พูดคุยคุยกันได้บนนี้เลยเมื่อกี้มอก็มาคุยมาปรึกษากันแล้วเพราะเมื่อก่อนนั้น เคยมีหมอก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเสียก็น่าจะเป็นการเป็นคราวเป็นรายๆเท่านั้นเองจึงเลยมาตั้งระเบียบอันนี้ขึ้นมามันทําให้เสียโอกาสบางทีเรามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้จักเลยเนี่ยเมือ่อเราไม่ได้ให้เกียรติกันเลยสิ่งเหล่านี้เราต้องทํานะในสังคมเนี่ยต้องมีวัฒนรรกายที่เขาดังเขาดังก็เพราะเขารู้จักกันก็ให้เกียรติกัน มันเป็นเรื่องถูกตามธรรมนะอาคารทุ ก, กะกับเจ้าถิ่นจะต้องปฏิสันถานกันจะต้องไม่ทําให้การเก้อการทําให้การเก้อเนี่ยมันรวมไปถึงว่าการทําให้เก้อมันรวมทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความเก้อเกิดความเขิน เกิดความผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นเรื่องธรรมดาดีไม่ดีถึงกับทําให้คนนั้นนี่หน้าซีดไปเลยก็มีนะอ้าวลองสังเกตดูนีในอจินตกรรมที่เราเคยเข้าไปเกี่ยวข้องมันมีมันมีอยู่คนเราเราทําดีมันทํายากต้องศึกษาต้องฝึกฝนต้องปรับปรุงต้องแก้ไขต้องนู้นตรงนี้ต้องอะไรแต่ถ้าเราทําเลวง่ายมาก ออกจากนี้ไปฟาดเลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธผิดในกามเอาแหลกไปหมดเลยง่ายมากแล้วเรามาปรับปรุงให้ดีอ้ทำเท่าไหร่กว่าความดีความงามจะโผล่ขึ้นมาแต่ขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำให้ดีเรารู้เราเห็นด้วยดวงตัวเราเองตลอดไม่ต้องให้มีใครให้คะแนนไม่ต้องมีฐานะอย่างพวกเราพวกเราไม่มีไม่มีใครปฏิเสธดอก เออถ้าจะมีคนแอบให้คะแนนเราเราก็อดที่จะดีใจไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพ้นทุกข์พ้นโทษไปแล้วเนี่ยมีใครไปพูดตรงตามความเป็นจริงท่านก็สาธุ ก, การให้อย่าวาติพุทธชนเลยพระอาหารท่านก็ยังสาธุการให้เ อ, อ้ยินดียอมรับเพราะเขาถูกเ็พูดถูกตามที่เป็นจริง ถ้าเพื่อเขาไม่พูดพูดไม่ถูกตามที่เป็นจริงเราก็ยอมรับเออไม่ถูกตามที่เป็นจริงแต่ไม่ได้แสดงกิริยากโกรธเทียดอะไรทอะไรให้เขานี่คือนิสัยของพระที่ท่านฝึกฝนอบรมไปแล้วแต่สำหรับพวกเราเราใครจะไม่แอบดีใจในเมื่อมีคนชมนิยมชม ช, มชอบการปฏิสันถานธ์ตอนรับกันการพูดคุยให้กาลังใจแก่กันและกันยังเป็นความจาเป็นอ่า ปิยวาจาคําพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นเรื่องที่จำเป็นใช้ประโยชน์ได้ผลทุกครั้งเป็นเรื่องเดียวที่เอามาใช้ผลที่ใช้ที่ไรได้ผลทีนั้นไม่เคยตกไปอการยุกย่องการชมเชยการพูดให้กําลังใจเอามาใช้ที่ไรได้ผลทีนั้นเมื่อนั้นไม่เคยทีไม่เคยมีว่าตกไปแม้แต่คน มีความผิดในที่ชุมนุมนั้นจนหน้าแดงหน้าซีดไปหมดเรามีคนไปพูดให้กำลังใจสักหน่อยหนึ่งใบหน้าจะชื้ชนบารขึ้นมาทันทีคนเราใจใจคนมันไม่ใช่ใจไม้มันพร้อมที่จะโน้มเอียงไปตามภาวะแวดล้อมภาวะแวดล้อมคืออะไรคือรูปคือเสียงนี่แหละคำพูดนี่แหละเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัส มันไปฉลอจิตดวงนั้นให้เปลี่ยนไปตามภาวะของมันการทำดีทำทาดีก็ทำไม่ยากแต่บางคนทำดีแล้วอยากให้ความดีปรากฏรวดเร็วทันใจเราไม่ต้องให้คนอื่นใครรู้หรอกเราทำดีเรารู้ก่ใจก็เราเองเราก็ให้คะแนนเราเองคนอื่นคอยมารู้ตามหลังขอยเรายอมรับว่าเออเราทำดีเออเราทำไม่ดี ทำให้ดีก็ต้องยอมรับด้วยทำดีก็ต้องยอมรับนึกเมื่อเขาชมไปทําไม่ดีเดี๋ยวเขาชมว่าดีโอ้ยจมูกโดง่งนี่ไม่ใช่แล้วทาไม่ดีเขาเขาชมว่าดีอทําผิดเขาชมว่าถูกก็ชมว่าทําดีจมูกโดง่งดีอกดีใจนี่ไม่ใช่เป็นลูกโป่งแล้วเป็นลูกโป่องอมันโป่งเพราะลมนี่มันโป่งเพราะลม เราทำดีเขาชมว่าดีเราก็ต้องดีใจเราทำผิดเราทำไม่ดีอ้าวคนเรามันมีผิดมีไม่มีผิดมีถูกมีดีมีไม่ดีมันไม่มีใครมีแต่ดีบรรดาบรรดานักทำงานทั้งหลายไม่มีใครไม่ผิดผิดทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนคนที่ไม่ผิดเลยก็คือคนที่ไม่ทำอะไรท่านว่านะ สุภาษิตเขาว่าคนที่ไม่ผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรแต่บางครั้งทําคุณงามความดีมากมายไปทาผิดไปทาผิดสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลผิดธรรมขั้นรุนแรงอันนั้นก็โอ้ยดอกเดียวนี่ก็แม่งเอ็งแม่งไปเลยแหละแต่ถ้าคนนั้นรู้แก่ใจมาละลึกถึงคุณงามความดีที่เราสร้างเราทำมากมายเยอะแยะ เขาก็มีน้ําใจที่จะหล่อเลี้ยงจิตของเขาได้เขาก็มีความสุขได้มีความเจริญได้อในหัวใจของเขาถึงคนอื่นจะมองอยังไงก็เป็นเรื่องของคนข้างนอกมองแต่ตัวเขาเองเขาเข้าใจเขาเองเขามีความสุขคนแบบนี้จะไม่มีทุกข์เพราะเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองเรื่องปากเรื่องลมปากของคนนั้นเป็นเรื่องเอาประมาณไม่ได้บางคนก็แกล้งพูดบางคนก็พูดชมจริงๆ บางคนก็พูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงบางคนก็แกล้งชมชมเส็จแล้วก็บองหนักๆฟาดตามหลังก็มีแ ง, างาบางคนก็ฟาดกระบองใส่ซะก่อนแล้วก็ค่อยลูบหลัง อ, อดโอยโอดโอยให้กำลังใจตามหลังแบบนี้ก็น้าตาร่วงก็ได้ คนเราสารพัด ส, สิ่งแวดล้อมเฉพาะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจโรปเสียงกลิ่นรสพลโทพรธรรมรม่มสิ่งเหล่านี้แหละเป็นภาวะที่พลิกผันชีวิตจิตใจของเราเป็นให้เป็ น, ปนไปตามนั้นการเวลาล่วงไปล่วงไปเราอยู่ในท่าทีที่เราจะพลิกผันชีวิตของเราได้ทุกระยะทุกเวลาไม่มีใครตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องได้ทั้งหมดมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้ทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาที การที่เราปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีที่สุดนั้นนะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องที่ทําไปแล้วมีแต่ผลรายได้เพิ่มพูนทวีคูณได้อย่างรวดเร็วก็เรื่องมาสงบกายสงบใจนี่แหละสงบกายก็คือด้วยศีลกิริยาของกิเลสไม่แสดงออกมาที่ที่กายที่วายใจใจก็สงบด้วยธรรมเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งภาวนาน พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธถ้าเรานั่งฟังด้วยเรานั่งภาวนาด้วยใจของเราก็สงบยังไงเราไม่ได้หลับหูเราต้องได้ยินเราภาวนาไปเถอะเราไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ยินภาวนาแข่งกับเสียงที่พูดนี่แหละเราไม่ได้ประโยชน์จากเสียงที่พูดเราก็ได้ประโยชน์จากพุโทโธนั่นเป็นเนื้อหนังของเราแท้ เราทำตัวได้ขนาดนี้อยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ความดีอยู่ในที่จอยแจขนาดไหนเราก็ทำได้อยู่ในที่พลุกพล่านขนาดไหนเราก็ทำได้การฝึกฝนอบรมการศึกษาทำให้เรา ม, มีประสบการณ์ทำให้เราได้ข้อปฏิบัติทำให้เราได้สิ่งที่เทียบเคียงเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงมาแก้ไขตัวเอง เราช้าเกินไปเราก็ปรับให้เร็วขึ้นเราขี้เกียจเกินไปปรับให้ขยันขึ้นเราเร็วเกินไปปรับให้ช้าพอดีอืมเราพูดมากเกินไปปรับพูดให้พอดีพอดีเราพูดน้อยเกินไปปรับพูดให้ได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลอะไรที่เป็นพอดีพอดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นธรรมทั้งนั้นอะไรเกินพอดีไม่ค่อยจะเป็นธรรมหนักอะไรที่เกินพอดี แต่ถ้าพอดีพอดีด้วยเหตุด้วยผลเช่นอย่างเราอบรมมัดเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเกินพอดีเพราะอันนี้เราทําไม่ถึงเมื่อเราขุดบอร์ดพืจะเอาน้ามาใช้เน่ยมันขุดไม่ถึงสักทีขุดไม่ถึงสักทีถ้าไม่เอาเอาเป็นเอาตายใส่ desired. ทำไมมันจะถึงมันไม่ถึงก็เหมือนอย่างเราถูไฟะถูไม้ให้เกิดไฟถูถูถูถูถูหยุดไฟที่ไหนมันจะเกิด ถูถูถูถูถูหยุดไฟที่ไหนมันจะเกิดมันเกิดไม่ได้ความร้อนสะสมมันไม่พอต้องถูเสมอเข้าไปหนักหน้าเข้าไปด้วยๆถูถูถูถูยับถูจนติดหยุดไม่ได้นะยิ่งใกล้จะติดอยู่แล้วเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดแล้วก็ตกไปแล้วไฟกำลังใกล้จะติดหรือไม่ติดอีกแล้วมีหมายความว่าเราอบรมมั่ตรงนี้เราไม่ต้องกลัวเกินไป เอาไปเอาตายใส่เข้าไปเลยรูปายยานท่านเดินตายมาทั้งนั้นแหละถามไปถามดูเถอะองค์ไหนองค์ไหนนั่งตายมาทั้งนั้นแหละท่านนั่งตายมาไว้ท่านจะได้มาบอกเรากับที่เราทําไม่ถึงเราควรจะปรับอะไรแล้วก็ปรับรุงแก้ไขไปชีวิตนี้เราบกพร่องคุณงามความดีคือศีลคือธรรมเราเสาะเราสแสวงเราทำเอาเองได้ มีคนอื่นเป็นพระปัจจัยช่วยทำให้เราช่วยทำให้เราประสบผลสาเร็จในสิ่งเหล่านี้มีนูน้นมีนี่มีหมูเพื่อนมีอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างงานการที่เกิดขึ้นตรงนี้เรามีทั้งผู้มาอบรมมีทั้งผู้จัดอบรมมีทั้งผู้มาให้การอบรมนี่คือเหตุคือพระปัจจัยปัจจัยอื่นๆ เพออำนวยเพื่อประโยชน์เพื่อผลประโยชน์เพื่อคุณงามความดีเพื่อความสุขความเจริญแ ก, ญก่กันเลยกันผลได้ได้คือบุญเกิดในหัวใจของเราของท่านด้วยกันทุกคนความสุขความเจริญหวังเกิดขึ้นในหัวใจของเราของท่านทุกคนนเมื่อเราตั้งอกตั้งใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นเป็นบาตเป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีขอให้เราตั้งอกตั้งใจ ไม่ต้องย่อท้อไม่ต้องอ่อนแรงคืนนี้แค่หกทุ่มนิดหน่อยเองเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นเราจะสเสียดายทำหลังโอ้ยจบเร็วแล้วเกินนะเตรียมตัวให้ดีคืนนี้หกทุ่มพราสวดพราหมณ์ภาวนาไปหกทุ่มลองดูไม่รู้คราวหลังอาจจะทั้งคืนก็ได้นะ แต่ก็ต้องดูกําลังตัวเองนะดูกําลังตัวเองกําลังหมายว่าคำว่าดูหมายถึงเรามีกําลังพอไหมถ้าไม่พอเราพยายามสั่งสมอบรมเอาไว้ปรับตัวให้ดีเอาอดนอนเอาผ่อนอาหารหัดอดนอนเ้าหัดผ่ อ, อาหารเพื่อให้ร่างกายเบาสบายเราจะได้อยู่ภาวนาสบายสะดวกสบาย Oh, อยู่แล้วได้อะไรอยู่แล้วได้อะไรได้แต่ความง่วงเหงาหาวนอนเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆเรานั่งทํางานเรานั่งเรานั่งทําเหตุเรานั่งทงาํ า, า, ทาทบุญมันจะไม่ได้มันรู้ไปนอกจากไปนั่งเฉยๆส่งจิตเลื่อนลอยไปเฉยๆอันนั้นรับรองไม่ได้อันนั้นนะรับรองไม่ได้ขอใหเรานั่งตั้ง อ, อกตั้งใจสังเกตสัง ก, กาจิตใจของเราทุกระยะทุกเวลา ต้องได้ประโยชน์แน่นอนอ <c oughs> จากนี้ไปให้นั่งภาวนาจนกว่าจะสี่โมงเราค่อย่ อ, ยออกจากภาวนาออกยาตภาวนาแล้วมีการถามอะไรตอนไหนได้ทุกระยะเป็นคอเราวนะเราเปิดนะแต่คอดอื่นยังไม่แน่นี่เราเปิด เราคุยกับหมอหมอให้โอกาสเมื่อกี้เราคุยได้เราถามได้บนนี้เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้หรือคนที่เขียนมาพอเราตอบไปแล้วไม่เข้าใจก็สามารถถามได้เราก็จำได้เหมือนกันนะตอนสมัยเรามาตอนทีแรกๆเนี่ยมีถามตอบอยู่บนนี้ได้แต่ตอนหลังมาเนี่หายไปเราถามใครก็เงียบถามใครก็เงียบ มารู้ทีหลังว่าโอ้ยเขามีระเบียบออานั่งภาวนานะเอาเดีบุญเขาสูงหุ่ใจล้วนๆนะไม่เอาบาปนะเอี๋ยวพูดโทรคำเดียวนั่นแนหะไม่ต้องมีอะไรมายุใหญ่จิตเลย น, น, นั่นแหละนั่นแหละบุญคำเดียวอย่าเบื่ อ, อยานาอย่าท้ออย่าถอยตั้งใจทำไปเถอะ เอาไปสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงเสร็จเสร็จเราทำระยะเวลาสั้นๆอย่างนี้ไม่ให้มันขยับไปไหนเลยแหละยกเริ่มแล้วเอาเลย มีม่ายไมฝนตกฝนคือตกอยากแท้หน้าฝนแท้แท้เนี่ย ที่ทาเต่าเรานะยังน้ำไม่ไหลนะห้วยห้วยน้ำยังไม่ไหลปนะีนี้น้ำฝายยังไม่เต็มน้ำฝายใหม่ก็เหลือตั้งสองสามเมตรจะรน น้ำฝายเก่าก็เหลือเเหลือประมาณห้าหกสิบเซนห้าสิบหกสิบเซนน้ำยังไม่ล้นน้ำน้อยปีที่แล้วเนี่ยน้ำล้นไหลห้วยประมาณหนึ่งอาทิตย์หมดก็คือหมดเลยน้ำน้อยมากปีที่แล้วแต่ปีนี้ฝนตกบ่อย ต, ตกไม่มากเห็นก็ได้ดำหนาปลาปลายเต็มไปหมดเต็มทุ่มแต่ไม่มีที่น้ําท่วมน้ําขังน้ําขังท่วมท่วมจนเน่าไม่มีข้าวงามข้าวราบเรียบงามดีมากตามทุ่งนา แ, แถวน้องก็ซอแต่น้องก็ซอเนี่ยแหละเขตฝั่ง ภูเขาตะวันออกเนี่ยตกตกหนักน้ำไหลฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกเป็นหางมันเป็นหางฝนไม่ใช่ศูนย์กลางมรสุมของมันมันไล่ไปตามแถวเทือกเขาตะวันออกอยวาลงลพบุรีลงเข้าไปในอุดรทั่วโมดอ น, ถอดอนนะแถววัดเราถูกแต่หางมัน เวลาเรานั่งเครื่องไปเราก็ดูรอบข้างก่อนลงเนะี่ยน้ำขาวพโพลนเตรียมไปหมดรอบๆบ่ อ, อ, อนอยู่กรุงเทพเขาไม่พูดถึงฝนร้อนอยู่กรุงเทพน้อยคนที่จะทำนาพูดถึงแต่ว่ามันร้อนแล้วเกินร้อนแล้วเกินน้าท่วมน้ำท่วม ฝนตกนิดหน่อยก็ น, น้ำท่วมเราอยู่ป่าดูป่าเขียวดูข้าวงามดูทุ่งที่มีน้ำชุ่มฉ่ำเป็นธรรมชาติมนุษย์อาศัยธรรมชาติ ฝ <c oughs> นตกตามธรรมชาติแดดออกตามธรรมชาติหนาวร้อนตามธรรมชาติแต่ถ้าเกินไปมนุษย์อยู่ไม่เป็นผาสุกมนุษย์ต้องการพอดีพอดีนั่งกายของเราเหมือนกันรับอะไรมาที่เกินไปเป็นไข้ อากาศเย็นเกินไปร้อนเกินไปมีอรารหนึ่งระเกอบตายไปที่ขอนแก่นไปดูเครื่องดูดปูนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานเจดีหลงปูรีเขาจอดที่งไวยกลางสนามปูนสนามบริเวณกว้างแดดร้อนเปรี้ยงวันที่ไปดูเจ้าของก็พาไปดู เพื่อเขาจะได้ปรับปรุงจะได้ซ่อมได้จะอัดจะได้เอามาใช้เราก็เข้าไปที่สนามเปรี้ยงเปรี้ยงเดินดูเขาซ่อมรถรถสลับโซบูนเนี่ยโซบูน ส, ส่งที่สูงสูงน่ะฉลาดร้อนมากๆวิ่งมาเข้าออห้องแอคิดได้อีกออกไปอีกไปดูอีกวิ่งเข้าวิ่งออกสองสามครั้งคืนนั้นเป็นไข้เกือบตาย โอ้อย่างนี้เองไข้มันแพ้ร้อนแพ้หนาวเป็นอยเองนี้ว่าเป็นไข้ครั้งเดียวหนักไม่เคยเป็นมาก่อนเลยถึงคราวร้อนก็ร้อนร้ร้อนจนหมดนะร้อนเหมือนทองไสจะขาดร้อนจนหมดตัวเลยธาตุไฟของเราจะหมดตัวพอร้อนมันหมดไปเย็นหนาว โอ้อยางงี้เองคนช็อกเนี่โ อ, โ อ, โอ้เราไม่เคยเปลี่ยนเราเป็นครั้งเดียวยโอ้พิศสงจกักวิ่งวิ่งออกแดดวิ่งเข้าห้องแอร์วิ่งออกแดดวิ่งเข้าห้องแอร์วันนั้นพื้นปูนร้อนเปรี้ยงพื้นปูนมันเป็นพื้นปูนที่เขาจอดร ถ, รถจอดรถโน้นจอดรถนี้จอดอะไร่ออะไรเนี่ยอยู่ที่คอนแกนโอ้เป็นครั้งเดียวก็แค่นั้นแหละ พอร่างกายปรับตัวเป็นปกติก็หายแหละไม่มีอะไรเรื้อรังแค่นั้นแหละโอ้นี่ยมันไข้ไข้เพราะมันร้อนเกินไปเย็นเกินไปอืมรถเขาก็เอามาใช้หลูดปูนไม่นานเวลาใช้ก็ต้องมันล้างออกยากเป็นท่อมันเป็นท่อเขาก็เลยใช้ไอตัวคันโยกเนี่ยอันนี้โอ้ไอสตูอันนี้ ยกใกล้ยกไลยกไลบรจันเนี่ยใครไม่เคยไปเห็นเจดีย์หลวงปุรีบนผาแดงยอดเขาเล้วยนะ่ะทำบนยอดเขาเลยนะนะั่นน่ะเจดีย์หลวงตาจะเอาให้สูงเก้าสิบแปดเมตรนะถ้าอายุหลวงตานะตอนนี้ขึ้นไปได้นิดหน่อยขึ้นไปไปตรงขึ้นไปบนไหนนั้นนิดหน่อย บนโดมเนี่ยยังยังไม่ถึงยอดขึ้นบนโดมได้นิดหน่อยเราไปดูมูเ็าทำอยู่นั่นแหละเราไม่ได้ไปทำหรอกเราไปดูมีกูบาจารย์พระเนียนคอยดูคอยคุมคอยทำอยู่นั่น <c oughs> แต่ที่บันตาดเราจนจนเดี๋ยวนี้เราก็ยังขึ้นไม่ได้ ยังยังไม่ลงตัวที่บันตาดยังไม่ลงตัวไม่รู้จะเเมื่อไหรจะลงตัวไม่รู้จะลงตัวลงตัวหรือไม่ลงตัวพวกเราก็ทำบุญได้โฆษณาเพื่อให้คนได้ร่วมทำบุญที่สวนแสงธรรม มีการทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าเพื่อเกียรดีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะดูแลรักษาสวนแสงธรรมมีทุกเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่สวนแสงธรรมคราวนี้เราก็ไม่ได้ไปร่วมอีก <c oughs> ทุกครั้งก็ไม่ค่อยได้ไปถ้ามีเหตุได้ไป แล้วก็เข้าไปพักแล้วก็พลอยได้อยู่ได้อะไรบ้างเป็นการเป็นก่าวแต่ที่เขานีมน่มันจริงๆเราไม่ค่อยได้ไปบางทีจังหวะไม่เหมาะบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าได้ไปเนี่ยเขาไม่นิมนต์เราก็ไปไปพักเพราะที่นู่นเป็นวัดมันเป็นบรรยากาศที่เป็นวัดขอลงตาที่สวนสังธรรมเราเข้าไปแล้วมันเป็นบรรยากาศที่เป็นวัดมีกำแพงล้อมรอบ พื้นทีจ่จะเยอะกว่านี้พื้นที่จะใหญ่กว่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของลวงตานะเนี่ยตรงนี้ใครยังไม่รู้จักบอกให้รู้จักตอนหลังหมาหมอเอาไปถวายลวงตาตอนลวงตายังมีชีวิตอยู่ตอนบั้นปลายเนี่ยหลวงตาได้มารับพระป่าช่วยชาติหลายครั้งตรงนี้หมอเขาเขาประโยชน์มาตั้ง20กว่าปีนะตรงนี้ เ, เดี๋ยวนี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตา เพราะถวายหลงตาพอหลงตาท่านสิ้นไปแล้วก็เป็นสมบัติของวัดป่าบรรดาศพวกเราก็มาใช้สอยเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์มากโอกาสที่เราจะเข้ามาอบรมมาใช้มาสอยอย่างนี้เนี่ยมันมีน้อยบางทีปีทั้งปีเราไม่มีโอกาสไปอบรมที่ไหนเลยไปอบรมบางทีก็ไม่สะดวกไปอยู่ตามวัดบางทีก็จะ ว่าสะดวกก็ยังไม่ใช่ไม่สะดวกแต่ตรงนี้มันมีระเบียบโดยเฉพาะที่เราจัดเราทำจะว่าเข้มก็เข้มจะว่างวดก็งวดจะว่าเข้มก็เข้มจะว่างวดก็งวดเนี่ยวันนี้เราบอกว่าจะพาอยู่เที่ยงคืนเลิกทีแรกว่าจะพาอยู่ในสัตชิ โอโหคงจะหนาวหนาวร้อนร้อนไปตามๆกันนะฮะ ah. <laughs> ที่แรกว่าจะพายอยู่ในสัตชิกคงจะหนาวหนาวร้อนๆอนไปตามๆกันเอาพันๆลงมาเอาแค่ครึ่งหนึ่งซะก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เพิ่มไปจากเมื่อวานแค่สองชั่วโมงนั่งภาวนาつつつสบายๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็นั่งภาวนาสบายๆทิ้งหมดเลยเนี่ยว่าวนาทิ้งหมดเลยอะเอาแต่งานเดียวเรื่องเดียวเนี่ยไม่ยุ่งทําไม ระเบียบคล้ายๆโกเอง้าตรงนี้นะแต่ไม่ถึงกับยึดมือถือยึดอะไรมังนะ้งฮะตรงนี้อ่ะแต่ว่าการเข้าหมู่การเข้านอนเข้าพักเข้าอะไรแต่ไรเข้าเป็นระเบียบดูเลยเรากพ็พวกเรารก็พยายามทำให้เกิดระเบียบไม่มีการอนุโลมเป็นเป็นการ กับบุคคลสําคัญสำคัญเราไม่มีการอนุโลมถือว่ามาเข้าตั้งใจปฏิบัติเท่าเทียมกันเหมือนกันหมดก็มียกเว้นคนป่วยคนป่วยต้องบอกให้หมูรู้จักถ้ารู้จักเจ็บใครใดป่วยเป็นไอเป็นจามนี้เป็นเหตุบรบกวนกันก็เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่เอกเทศโดยลําพังก็ไม่เสียหาย ไม่เสียหายขอให้เราตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติให้เกิดเกิดทำรรตั้งใจปฏิบัติทําให้สุดจริตทำมังสุดสุดเจสุสจริตตังจรควรประพฤติทําให้บริสุทธิ์ควรประพฤติทําให้สุดจริตบางครั้งการประพฤติทำการปฏิบัติธรรมของเรามันมีอะไรแทรกเข้ามาดูให้ดี เราว่าเรามาพระพุทธธรรมมาปฏิบัติธรรมนะลาบแทะเข้ามายศแทะเข้ามาเกียติแทะเข้ามาอำนาจหน้าที่แทะเข้ามาเราดูให้ดีดูที่ใจของเรามันมาทิ่มแทงดูให้ดีถ้าเราดูไม่ดีเรานี่แหละทิฐิมานะมันจะมาโผล่ตรงนี้แหละมันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรมันไม่เคยประณีประสายใครนะไม่เคยประณีใครเป็นอันว่าบินไปทุกรายอะ่ะ มันเกิดขึ้นมาที่ไรเมื่อไรเนะี่ยถูกใจความหมายทุกสายดีตั้งใจปฏิบัติให้ดีตั้งใจปฏิบัติให้บริสุทธิ์ใจเนี่ยผลมันจะได้เป็นสุทธิในใจของเราตัวเราก็ตั้งอกตั้งใจทำดีมากต้องอดต้องทนต้องสู้ไม่เคยสู้ก็ต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ นั่งก็ต้องพยายามประคับประคองเผลอๆหงายท้องขึ้นมาเนี่ยข้อศอกไปกระทบพื้นตึ้งขึ้นมาเนี่ยตื่นหมดโอ้โอ้เอาเสร็จแล้วกู <c oughs> สังวรประทานสังวรสำรวมระวังความละอายช่วยให้เราได้อาจได้ทำเหมือนเริ่มแรก โดยนิฐานของพระนันทะลืมหรือยังนิฐานพระนันทะ h ั้นที่สุดพระนันทะได้เปลี่นพระอรหันเพราะละอายเห็นไหมละอายแก่ใจตัวเองไม่ใช่ละอายใครนะละอายหมูเพื่อนซะก่อนสฉะนั้นค่อยๆมันละอายแก่ใจังตัวเองถอนมาถอนมาถอนม า, ถอ น, มาถอนจากภรรยาใหม่วันนั้นยังไม่เคยอยู่ด้วยกันถอนมาจาก เทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นที่ว่างามที่สุดติดใจที่สุดถอนมาถอนมาถอนมาด้วยความละอายตั้งใจปฏิบัติไม่นานได้บรรลุธรรมนี่คือความละอายเรานั่งงูอย่างนี้ความละอายช่วยเราถ้าเราไปนั่งคนเดียวเราบังคับตัวได้เต็มร้อยเรามานั่งท่ามกลางหมู่กล้วย <laughs> เพราะนั่งทำกลางหมู่มันตื่นอยู่แล้วสมมติเรานั่งทำกลางหมู่สับประงกเราไปนั่งคนเดียวเราจยาไปคิดว่าได้ยาวไม่ยาวดอกสั้นจุดจู <laughs> ทดสอบดูก็แล้วกันเอาเปิดโอกาสให้หนึ่งคำถามถ้ามีถ้ามไม่มีเราก็เลิก ก็เลยเวลาไปหลายนาทีเมื่อกี้เมื่อกี้ไปนู้นเหรอไปดูงานเหรอางานหล่อพระวันพุงนี้สามสามองค์สี่องค์หล่อพระสามองค์สี่องค์พระนะพระที่หล่อนะแต่พระที่จะไปร่วมเป็นสิบสิบกว่าพอดีเรามาตรงนี้หมู่เขาก็อยากมาคารวะกับเราด้วย ทังบัวแก้วกว็ามาอาจารย์ป้อมอยู่ทั้งชนบรีก็ามายันยศอาจารย์ยศทั้งก็เป็นเจ้าของพระพระมารวิชัยหกสิบนิ้วอันนี้เขาก็เป็นเป็นเป็นลูกศิษย์อยู่วัดสวนมะขามเมืองเลยวังสะพุงเลยศาลาก็เพิ่งมงเสร็จแรงที่แล้วเนี่ยศาลา ได้พระประธานไปก็ได้ตั้งเลยแหละทาพื้นทำอะไรเสร็จก็อยู่ได้ศึกษาได้นั่งภาวนาได้เป็นวัดสวนมะขามของของท่านปลัดจังหวัดหนองบัวลำพูทุกวันเนี่ยท่านท่านถวายให้เป็นให้เป็นวัดเป็นสวนมะขามเด๋ยวนี้มันโตไม้ย่างอื่นมันโตหมดนั้นแหละ เ, เรียกดูไปเหมือนไม่ใช่สวนมะขามแล้วเดวนี้ พอไปปลูกไม้อย่างอื่นเต็มไปหมดมันขึ้นแซมเต็มไปหมดเป็นที่ร่มเย็นแล้วตอนนี้ครูบาอาจารย์พระเนรเราก็กระจายกันอยู่พระเนรไม่พอเราก็ให้ไปเพื่อให้ได้รับกฐินได้ที่บัวแก้วสี่ 4, 5, องค์ห้าองค์เพื่อให้รับกฐินได้ก <c oughs> ระจายกันไปอยู่ แต่ที่ทำเตาเราเนี่เยอะจริงๆริรสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าหนักไปทางพระใหม่พระใหม่พระเก่าพระเก่าเยอะไม่เท่าพระใหม่พราะพระเก่าเราเนี่ออกไปเลยออกไปเลยอยู่เก่าพอสมควรแล้วก็ออกไปอยู่เก่าพอสมควรแล้วก็ออกไป <c oughs> ในบรรสาอย่างนี้เหตุที่เราปฏิเสธไม่ได้คือคุณทาวร่าเขาเป็นคนไปสร้างวัดนั้นให้เราไปอยู่ดูแลเนี่ยเขาสร้างวัดถวายลุงตาแต่เขาก็มีงานทำบุญถึงคุณสุวิทย์ทุกปีเราต้องมาทุกปีวัชนธรรมก็เลยพ่วงท้ายพ่วงหน้าพ่วงหลังเมื่อวานก่อนมาก็ไปฉันที่บ้านหมอ แถวไหนไมนุษย์แถวปากเกร็ดพอเขารู้วาเราเข้ามาเขาก็พ่วงพ่วงหน้าพ่วงหลังนี่เป็นเหตุให้ได้มาที่นี่ปกติเรามาในพรรษาเรามาได้หกวันเจ็ดวันไม่ไม่สว่างเป็นวันที่เจ็ดไม่สว่างเป็นวันที่แปดแต่เราจะมาอยู่แค่หกคืนหกคืนแล้วกลับถือว่าเป็นการสัตตาหั คือว่าเป็นการสัตตาหะมาเพื่อเป็นการอบรมเป็นการชี้แจงบอกแ น, สนะสอนเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่าน <c oughs> เพื่อประโยชน์ของพระศาสนาที่สําคัญก็คือประโยชน์ของพระศาสนาพระศาสนาเราถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบอกกันไม่มีการสอนกันไม่มีการเอาไปประฤติเอาไปปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่ดีงามเยี่ยมก็กลายเป็นหมัน ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์กับหัวใจของพุทธบริษัทการที่เรามาอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งพวกอยาว์พวกเราก็มีความสนอกสนใจเสียสละเวลานี่เหมือนอย่างที่นา่งข้างหน้าเนี้เนี่ยไปวัดเราตั้งแต่เนินน่นนาแล้วเนี่ยอนเนกการบินไทยไปตั้งเนินน่นนาแล้วตอนนี้ เป็นระเบียบให้ถามได้ะายได้เราถึงพูดถึงคุยได้เมื่อก่อนพูดคุยไม่ได้ผิดระเบียบเฉพาะขออเรานะขอออื่นเราไม่รับรองนะเพราะหมอคุยกับเราอ่าพอสมควรก่เวลาเราเข้าอีกเท่าไหร่หนึ่งทุ่มแล้ว หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนี่ต้องเตรียมให้แน่นหนาะ อ, อัดให้แน่นเข้ามาเลยแหละฉันทะวิริยะอุตสาหะความอดความทนนะหกชั่วโมงห้าชั่วโมงจากหนึ่งทุ่มไปหกทุ่มอ้า